วันนี้มุญจิตุกรรมยาตายานมุญจิตุก ร, รมยาตายานคำหนึงด้วยความไข่พ้นไปอันนี้เป็นวิมุติจําภาษาไทย ก, กันในเมื่อจิตเข้าถึงความเบื่อน่ายคือนิพุทายานเมื่อรู้เบื่อเกิดขึ้นก็ต้องการพ้นตอนนี้จะทิ้งไว้ก่อนเและการจเจริญกรรมฐานบรรดาญายโยมพุทธบริษัท จะเอาเฉพาะวิปัสนาญาณมันไม่มีผลจะเจริญเฉพาะสมถาภาวนาเฉยๆก็ไม่มีผลจะต้องมีสามอย่างพร้อมกันทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลบกพร่องสมาธิไม่ทรงตัวถ้าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดวิปัสนาญาณคือตัวปัญญา ขณะที่ใช้อารมณ์พิจารณาร่างกายพิปัญนาใาญเขาทำอย่างเดียวคือพิจารณาพิจารณาคันห้าคำว่าขันห้าคือร่างกายใช้ศัพท์ร่างกายดีกว่าขันห้าก็คือร่างกายร่างกายคือขันห้าเจยวจริงๆแล้วพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นภกแปนาตานี่วแบบตีรวม แต่ถ้าจะทำกันจริงๆบรรดาท่านพุทธริสัตย์ต้องใช้การตัดเฉพาะจุดเราใช้การตัดกลมใหญ่หวังความเบรหันทีเดียวมันไม่ได้เป็นเป็นของยากเพราะความเอรหันหนักมากแต่ว่าถ้าทำตามลำดับจะไม่หนักเมื่อวานนี้พูดตรงนี้ปิถา ย, ยานขอย้อนอีกนิดหนึ่งพระบรรดาญาติโยมบางท่านไม่ได้มา คำว่านิพิทายานมาเรืงความเบื่อหน่ายในร่างกายการเจริญวิปัสนาญาณบรรดาเป็นพุทธบริษัทถ้าไม่ถึงจุดนี้นะก็ถือว่ายังไม่ถึงมุมต้นในจุดต้นของวิปสนาญาณมีจุดสําคัญอยู่สองจุดวิปสนาญาณนี่คือนิพิทายานความเบื่อหน่ายเบื้องต้น กับสังขารุปเกตข้ายานขั้นสุดท้ายมี2 อ, อันนั้นแหละความเจริงมีเกแต่ยังไม่ถึงความเบื่อหน่ายมันจะไม่ถึงไม่ถึงมุมต้นเขาพิัิชนายานคือเรียกว่ายังไม่เข้าถึงพิพิชนายานก็แล้วกันมันจะเป็ น, นพียการเตรียมตัวด้วยการตัดจริงๆการนึกถึงภาพการเบื่อตัวนี้ตัวสําคัญมากขอย้าตึ้นี้อีกทีเราจะเบื่อตรงไหนกันแน่ ก็หาทางเบื่อตามความเป็นจริงที่มันเกิดกับอารมณ์ของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน <c oughs> บางท่านมีงานมากอาจจะใช้อารมณ์เบื่อในงานก็ได้ขึ้นเที่ยวความเหนื่อยยากในงานเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความหิวก็ไม่มีความกระหายมันก็ไม่มีความต้องการก็ไม่มีก็ไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้ <c oughs> ในร่างกายนี่น่าเบื่อเพราะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็มีการงานเช่นี้ก็ได้หรือว่าร่างกายมีความหิวมีความกระหายเบื่อร่างกายเพราะมันหิวอย่างนี้ก็ได้หรือร่างกายมีการป่วยไข้ไม่สบายก็มาคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างการป่วยไข้ก็มันมีมีการป่วยไข้ไม่สบายมีเครื่องพาสติมีร่างกายอย่างนี้ก็ได้มีการพัดพาดจาของรักของชอบใจเกิดขึ้นคิดว่าถ้าเราไม่มีร่างกาย เราไม่มีร่างกายเขาไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องต้องเสียใจ <c oughs> นี่ต้องพัดพราา่จากการต้องเสียใจต้องอะไรแบบนี้เพราะมีร่างกายเหตุอย่างนี้ก็ได้กลรวความว่วันหนึ่งความจริงอาจจะไม่ได้ทุกวันวันหนึ่งไม่ต้องใช้เวลามากจะเพราะวิปัสสนาญาณใช้เวลาเพียงเล็กน้อยแท้ลมันเบื่อจริงจริงโดยเฉพาะ อย่าลืมว่าเบื่อแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็เลิกเบื่อก็ช่างมันเป็นของธรรมดาค่อยๆทําค่อยๆเบื่อให้มันชินพอย้อนต้นอีกนิดหนึ่งต้องดูตัวอย่างท่านจุนวันถกที่พูดเมื่อคืนนี้ท่านจุนวันทกนี่เป็นตัวอย่างที่มีความสาคัญมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยดึกดําบัน คําว่าดึกดําบรรพนี่นานมากนานแสนนานสมัยนั้นท่านจุนบันทกเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็วันหนึ่งเรียบพระนครขณะที่เรียบพระนครไปอากาศมันร้อนเหงื่อก็ไหลท่านก็นําผ้าเช็ดหน้าที่มีสีขาวมาซับเหงื่อเช็ดตัวเช็ดหน้าเหงื่อก็ติดผ้าเกิดคราบเกิดขึ้น ผ้าก็มีสีดำขึ้นมาท่านจะพิจารณาคิดว่าร่างกายของคนเรามีความน่าเกลียดโสโคกอย่างนี้ใช่ิรเวลานั้นมีความรู้สิบันหน้าเกลียดแค่นีรังเกยียจในร่างกายเบื่อร่างกายแต่การเบื่อของท่านจุลมังกรนี่เป็นปัญหาสัตว์ตามพระบาลีท่านบอกว่ามีประเดี๋ยวเดียวพอเรียบพระดครเสร็จก็เลิกเบือ่อและในชาติต่อมาก็ไม่เคยทําอารมณ์เบื่อแบบนี้เกิดขึ้น แต่แต่ว่าพอถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าถือว่ากรรมฐานกองนี้เป็นกา ร, รทั้งการเป็นกรรมฐานสําคัญในหลวงพระจุนธเจ้า <c oughs> จึงได้ให้ผ้าขาพระจุนบเจ้าไปให้วางในมือแล้วคลึงไปคลึงมาปรากฏว่าไม่ช้าผ้าก็าดาท่านพิจารณาว่าผ้าดำที่ว่ร่างกายสดปกจากนี้ก็เกิดนิพพทายนายความเบื่อหน่ายเพลี่ยนผ้หันเวลานั้น รวความว่าความเบื่อไม่จะทำเราทำํำในวันนัน้อยบรรดาธิพภัตบริษัทจะเป็นปัจัยให ญ, ใหญ่ในการที่บรรลุมาผลเอาให้ได้จริงๆรสักอย่างนะแต่อย่าลืมว่ามันจะเบื่อประเดี๋ยวเดียวก็ช่างเพราะมันอย่างเวลาก่อนนอนจะนึกถึงความเบื่อจุดไดจุดหนึ่งนะถ้าความลำบากแต่วันนี้เกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตกําลังสบายนึกถึงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทําต้องเบื่อหน่ายก็ได้ ให้มีความรู้สึกว่าการเกิดจำนัดมันมีความทุกขอย่างนี้มีความไม่ดีอย่างนี้มันต้องเบื่ออย่างนี้เราไม่ต้องการเกิดอีกเราต้องการานิพพานสมมติว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททําได้ดีอย่างนี้ทุกวันวันละสองสานาทีนั่งก็ได้น้อยก็ได้ไม่มีการจํากัดถ้านั่งสบายก็นั่งนั่งไปสบายนอนสบายก็นอนใช้ได้แช่ลมคิด ให้มันมีอารมณ์เบื่อจริงๆทักนาทีสนาทีก็พอหลังจากนั้นคิดถึงกายงานอย่างอื่นต่อไปอารมณ์อย่างนี้มันจะท่งตัวเมื่อถึงเวลาใกล้จะมรณภาพจริงคนทุกคนต้องตายมันก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึน้นอารมณ์เบื่อมันเคยมีมาแล้วว่าเกิดเบื่อทั้งร่างกาย เมื่อเบื่อทั้งร่างกายจริงๆบรรดาเทมพุทธบริ ษ, ษ, ษัทเวลานั้นอารมณ์เบื่อมันจะเบื่อจริงๆมันไม่ถอยหลังกลัมาชอบใจอีกเพราะคนจะตายอาการดีขึ้นไม่มีมีแต่การมันหนักขึ้นทุกวันในเมื่ออาการน้อยๆ ย, ย, ยังเบื่ออาการมากขึ้นก็เบื่อหนักขึ้นในเมื่อเมื่อเบื่อเบื่อทงที่สุดติด ก, ก็ไม่รักแต่ร่างกายคนที่จะเป็นผ่าหลันก็ดีไปนิพพานดีมันอยู่ตัวเดียวที่ร่างกาย ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกัจภัยยะว่าภายยะเทิงจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่นี้เดียวนะก็ลงความว่านี่ย้อนรอยถอยหลังที่นิพพิทา ย, ยานต่อมาก็ถึงมุญิตะมาถึงการตัวอยาเจ้พ้นเอาอยานี้ก็ละกันใช้ภาษาไทยมุญิตุกามยตา ย, ยานคือตัวยาเจ้พ้นไปในเมื่อร่างกายเดินโลกนี่ไปขอหน้าเบื่อยนี้ก็อยากพ้น การพ้นบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอยากพ้นเฉยๆน่มันไม่พ้น <c oughs> อยากพ้นจริงๆต้องปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นก็เรียกว่าวีมุตต์วีมุตต์นี่ยความหลุดพ้นการหลุดพ้นทํำยังไงบรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องศึกษาสังโยชน์สิสังโยชน์สิเป็นภูมิปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆ สังโยชน์สามเบื้องต้นถ้าเราตัดได้อย่างหยาบเราก็เป็นปะโสดาบันถ้ารวมใจละเอียดขึ้นมาหน่อยเราก็เป็นพระสกิทาคามีถ้าตัดสังโยชน์ได้ห้าข้อเราก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดสังโยชน์ได้สิบเราก็เป็นพระราหันก็ต้องมาศึกษาสังโยชน์ศึกษายสังโยชน์เบื้องสามขั้นตน <c oughs> สัญญาณสอันดับแรกก็คือ 1. สกายติติ 2. วิจิกิจชาสามธิรปฏปรามาตคําว่าสกายติติต้องแบ่งเป็นสามชั้นสับเดียวนี่นะใช่รวมเป็นสามชั้นไม่เหมือนกันถ้าสกายติติของพระโสดาบั น, กนักศกิทาคามีก็เพียงว่าใช้ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย อย่าลืมว่ า, า, าพระโสดา บ, บันกสกิทาคามีนี่ใช้ปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันต้องตายนี่เป็นส ก, กายติติตัวตัดร่างกายที่ร่างกายยังถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ว่าในที่สุดมันก็ต้องตายไปข้อที่สองวิจิจิชาตัดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง คือว่า ย, ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ <c oughs> ไม่เครือบแพลงสงสัยในข้อดี 3, สมามศิลปะ p ปา a า a t สรงสินห้าบริสุทธิ์นี่ว่าคึ้ตามหลักวิชาถ่านักปฏิบัติจริงๆตอนนี้จิตต้องรักพนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมเข้ามานะกรวงความว่ามีมุดขั้นแรกการหลุดพ้น เราก็อย่าพ้นจากอบายภูมิก่อนเคือถ้าเราทรงความเป็นประโสดาบันได้ก็ดีพระสิทธาคามีก็ดีขึ้นเมื่องที่ว่าการเกิดในอบายภูมิคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานไม่มีอีกอยังต่ำที่สุดราจะกลับมาเกิดก็แค่คนแล้วขึ้นไปเป็นเทวดาด้วผมถ้าเป็นประโสดาบันอย่างอ่อนที่เรียกว่าสัตตะขับตัว อย่างนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์7ชาติเป็นเทวดาหรือพรมเจชาติก็ได้เป็นพระรสารไปนิพพานถ้าสรงอารมณ์ปัโสดาบัญแค่งกลางที่เดวโกลังโกละก็เป็นมนุษย์สมชาติเป็นเทวดาหรือพรมสามชาติไปนิพพานถ้าเป็นปะโสดาบัญแค่ละเอียดและสกิทาคามีก็ประกาศจากมนุษย์เป็นเทวดาลงจากเทวดาเป็นมนุษย์เป็นอรหันต์เลยไปนิพพาน กรองความมีมุกขันต้นตัดอบาอยาภูมิก่อนแล้วยังไปไปนิพพานไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ามีความจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำตามหลักสูตรกรรมการรู้มรรคผลจะไม่มีนี่สำหรับพระสูดาบัรก็ดีศกิทาคามมีก็ดีไม่หนักสาหรับบรรดาแทนพุทธริษัทที่มีความไม่ประมาทอันดับแรกขา ก, กายะทิฐิพยายามฝืนใจ ตื่นแค่ามาจากตื่นนอนใหม่ๆให้คิดทันทีทันใดคิดว่าชีวิตนี้มันอาจจะต้องตายเพราะความธรรมดาคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราขอยึดความดีไว้เป็นที่พึ่งนั่นคือเราขอยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนไม่ไายตัวแล้วก็จะพยายามทรงศินห้าให้บริสุทธ สำหรับชินน้นห้ามีความสำคัญก็ดูว่าสิีข้าบดเป็นความจริงเราไม่ต้องระวังทั้งห้คอเพราะบางสีข้าบทเรารักษาได้แล้วที่ว่ารักษาได้แล้วคือว่าสิข้าบทใดก็าตามที่เราไม่ระมิดเป็นปกติสีขาบทตรา น, นั้นแสดงว่าเราทรงตัวแล้วจะเหลือแต่สีขาบทบานสีขาบทขล้องสีที่เราต้อ ง, องยังทรงตัวไม่ได้ระมัดระวัง ตั้งใจไว้ก่อนหลับว่าสิขาบทที่เคยละเมิดสิขาบทนี้วันพรุ่งนี้เราจะไม่ระเบิเดแตกขาดพอตื่นขึ้นเช้าก็คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ระเมิดสินแตกขาดทั้งห้าคอและก็วันนั้นทั้งวันมันก็อาจจะลืมมนของธรรมดาเพราะมันชินในการเผลอชินในการลืมเผลอบ้างลืมบ้างพลาดไปพอเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็คิดทบทวนดูวันนี้เราพลาดสิ่ข้อไหนบ้าง ถ้าคิดออกพลาดฉิงข้อไหนคิดว่าวันพรุ่งนี้ทั้งห้าคอเราจะไม่ยอมพลาดเราทดสอบแบบนี้ทําแบบนี้ทุกวันอารมณ์จิตจะชินความรำมัตระวังจะถี่ขึ้นจะชินขึ้นในที่สุดไม่นานนักก็จะทรงศินห้าได้ถ้าทรงสินห้าได้บริสุทธิ์ได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคําว่าความตายไม่ลืมก็หมายความไม่ใช่นึกทั้งวัน วันน่าอาจจะนึกครั้งเดียวก็ใช้ได้ไ ม, ไม่ไม่ประมาทในชีวิตคิดวจะตายและจิตรักไม่ผ่านเป็นอารมอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปะโซดาบันแล้วต่อไปถ้าอารมณ์ละเอียดขึ้นพอถึงขั้นสกิทาคามีนตัดเท่ากันแต่ความรู้สึกในความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีน้อยหลงเบาบางลงก็ะอะไรไหมความโลภตัดเด้ันโดด ยินดีเฉพาะทรัพย์สินทีมีได้เป็นของตนคือในถ้าหากว่าเป็นสกิทาคาร์มีธรรดาเท็มพุทบริษัทหรือว่าพระโสดาบันขั้นเอกวิชีก็ตามอันนี้ไม่ใช่มีแต่ศินห้ามีกระหมดสิบควบเพราะจะเห็นว่าพระสกิทาคาร์มีหรือว่าโสดาบันขั้นเอิวิชีจะมีความโกรธเบาลงมากความอยากรวยก็เบาลง ความยากความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเบาล ง, าลงทั้งนี้พระมีกำปัติสิบควบคุมสาหรับกำปัติสิบมี1ิบอย่างท่านแบ่งเป็นร่างกายวาจาได้ใจทางกายมีสามคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตสองไม่ลักทรัพย์สาไม่พื้นปิดในกามเหมือนสินห้าสหรับวาจามีสีสินว า, วาจามีหนึ่งแค่มุสาวาต รมบทสิวาจามีสี <c oughs> ่เกี่หนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสีดยดยโสโยงสงเสริมก็แตกราวกันหไม่พูดเพเอเ้อเจ้อเหลวไหลไรประโยชน์นี่ทางกายกับวาจากายคล้าย ก, ายกึงกับศีลเหมือนกับศีลแต่ยังขาดสุราแต่คนมีความดีขนาดนี้เขาก็ไม่ดื่มสุราแล้วสำหรับวาจาลีเอีกว่ามีสขั้นแต่ศีลไม่ค่าไปคุมใจ ในการบริสิทธิ์ี้กุ่มใจใจมีสมคือหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของปุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำคิดว่าถ้าของเขาก็เป็นของเขาของเราก็เป็นของเราไม่อยากรักไม่อยากขโมยของเขาเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นในการนี้สองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองร้างไม่จองผ่นไม่จองเวรจองกรรมใครใการนี้สมยอมรับนับถือคําสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไม่เปลี่ยนแปลง ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดังนั้จะเห็นว่าพ ร, พระโสดาบันขั้นเอ ก, กวิชีก็ตามพระสิกขาธารมีก็ตามตัดสั่งยนดเท่ากันแต่มีอารมณ์ละเอียดกว่าเห็นว่าวาจาโกหกไม่โกหกด้วยไปพูดคำหยาบด้วยไม่ไมายุโยงเขาด้วยไม่พูดเพราะเจอแล้วหลาดด้วยระวังวาจามากขึ้นแล้วก็ต้องไประวังทางใจ ว่าทรัพย์สมบัติของใครก็เป็นของเขาของเราก็เป็นของเราของเขาก็เป็นของเขาเราจะไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของเครโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจจิตก็ตัดไปเรื่องนี้อารมณ์ความอยากอยากรวยก็น้อยลงไปลดลงไปต่อมาอารมณ์ความโกรธความพยาบามไม่มีมีแต่ความโกรธตามธรรมดาเรามีโกรธแล้วก็มีพยาบามคนแล้วยังมีการจองโกรธโกรธค้าง แต่ว่าพระสิกธาคามมีกระบสดาบันขันเองคือพิชีไม่มีความโกรธมีอยู่แต่การจองร่างจองผานไม่มีสแสดงว่าโกรธเบากว่าต่อมาก็สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นชอบตามคำสอนของขสมเด็จพระสัมมาทพระมจิเจ้าส่วนใดที่พระเจ้าถือ ว, ว่าไม่ควรให้เว้นเสียเราก็เว้นตามส่วนใดที่คนปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตาม <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าท่านเข้าทรงจิตในขั้นสกิทาคารีสาหรับตัวอย่างเพราะว่าสุดาบันไม่ใช่สกิทาคารีก็มีคาาชายนายหนึ่งเอาเย่างกันขอตัวด้วยมีคนขอทานคนหนึ่งขอเร่าย่อๆนะเคยมีมีเทพอยู่แล้วเธอเป็นขอทานและเป็นโลกเลือน ต่อมาได้ฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวเป็นปสดาบันแล้ววางเึงมานอนที่บ้านคิดว่าถ้าพระเจ้าทราบว่าเราเป็นปสดาบันองจะดีใจมากตอนเช้าก็ตั้งใจไปเฝ้าพระเจ้าจะจะกลับขูให้ส่งทราบตอนนั้นพระอินทร์ไดกระทดลองใจว่าตาขอทานโลกเดินคนนี้จะเป็นปสดาบันจริงหรือไม่จริงเป็นเครื่องพิสูจน์ ก็ท่านก็ไม่แปลงตัวละมาเป็นพระอินชัดลอยขวางหน้าถามว่าโลกที่เลื่อนกัจะไปไหนที่จะขอทานโลกเลื่อนก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพุทธเจ้าพระอินนั่นถามว่าไปเฝ้าทําไมเท้ก็บอกว่าเมื่อวานนี้ฉันฟังเทศฉันได้เป็นปัสสาวดานแต่วันนี้จะกราบทูลนรุโองค์ทรงทราบพระอินก็อยากจะทดหลงตามธรรมดาพปัสสาวดานย่อมมีความมั่นคงในปไตยชนะคม ไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระเจ้าพระธรรมแัะพระอราิยสงฆ์ก็เลยบอกว่าเธอเธอเวลานี้เป็นขอทานนะและก็เป็นโรคเรือนด้วยถ้าเธอพูดตามฉันพูดแม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรสักจะว่าพูดเธอถ้าเธอพูดตามฉันได้ฉันจะบรรดานในเธอหายจากโรคเรือนก็ <c oughs> จะบรนดานทรัพย์สินต่างๆให้ตกมาจากฟ้ายเธอเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าคนอื่นทั้งหมด เขาก็าถามว่าใจพูดยังไงพระอินทร์เก็บอกว่าเธอจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่เนี้ไม่ต้องต่างใจพูดเอาศัพทว่าพูดเฉยๆแต่เลยชี้หน้าผมว่าพระอินทร์หาว่าพระอินทร์ถอยจนถอยไปหาว่าเราเป็นคนจนในความจริงเราจนเฉพาะโลกยศอัพย์อริยทรัพย์เราไม่จนเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันเขาไม่พูดตามท่าน แล้วไปอเห็นความมั่นคงอย่างนี้แล้วก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าก่อน <c oughs> กนาสสาราบทูลให้ทรงทราบว่าอิตาขอทานโลกเรื่องนี้มีความมั่นคงแน <c oughs> <c oughs> ่พุทธเจ้าก็บอกว่าเขาเป็นประโสูดาบันจริงนี่เป็นเครื่องเปสูตรแห่งความเป็นพระโสูดาบันพระประสดาบันจริ ง, จ, ร ง, จ, รงจะไม่ยอมละเมิดพระตรศนาคมไม่ยอมปรมาโมทพระถ้าถามว่าท่านักบวชที่ทําตัวไม่ดี ตำหได้ไหมตอนนี้ขอตอบว่าตำหิดได้นะคำว่าพระในละหมายถึงตั้ ง, ตงแต่ปัศวดาบันขึ้นไปถ้าได้ปะโสดาบันขึ้ไปนี่เขาไม่ทําชั่วกรงความว่าจริยาของพระโสดาบันกรณีสิกขาคามีเป็นอย่างนี้ต่อมาก็จุดมุดอ่ามีมุดอีกตอนหนึ่งตัดเป็นตอนที่สา ม, สามก็คือตัดข่าหาพระอนาคามีตอนนี้แนะนํำเขาจะเฉยให้รู้นะ ว่าการอยากจะพ้นเฉยๆแนะ้่มันไม่พ้นมันต้องเข้าไปตัดแสงโยต์ใดด้วยแสงโยต์ตัวพ้นนี่เป็นพระนาคามีก็มีอีกสองนั่นคือกรรมฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศตัดขาดจากอารมณ์ของใจถ้าตัดขาดจาการมณความโกรธความยบายความจองร่างจองผานด้วยสองอย่าง จะตัดใจกรรมะฉันทะด้วยปฏิฆะกับปฏิฆะคือลมไม่พอใจด้วยตอนนี้ถ้าทำตาลันดับมันจะไม่หนักถ้าโจูโจงเขาทำมันหนักมากเพราะเป็นกำลังชานถ้าเป็นปรโสดาบันนิสกิธาคาร ม, มีึ้นมาแล้วนี่ไม่หนักเพราะค่อยๆตายการตัดกรรมะฉันทะเขาใช้<ม>ก็ใช้อสุปกรรมฐานกับกายยตานสติ กายกตานุปติเห็นว่าร่างกายมันไม่ดีถ้าเห็นร่างกายสุขปรกเป็นอสุปกรรมฐานปฏิบัติปฏิบัติพร้อมกันเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มด้วยความสุขปรกโศโครกมีน้าเลือดน้าเหลืองน้ำหนองเป็นต้นต่อไปก็มีการเน่ากันเหงการตายคิดเย็นในกําลังโคยย่อพอเห็นว่าจิตต่อไปจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายจากร่างกายที่ร่างกายมันไม่ดี เมื่อร่างกายสุกบกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปอีกครูคว่าตอนนี้ตัดการม่ฉันทะเพราะกายคตาต้อติเก่สุปกรรมฐา น, อ น, นพอเข้าตใยตัดวิริยะใช้พรมีหันสี่ให้จิตทรงตัวเกือพรมีหันสี่คืนหนึ่งเมตตาความรักเรามีความรักในคนแลัตว์ทั้งโลกเหมือนกับความรักตัวเรา ไม่อยากจะทําอันตรายข้อดีสองมุตกรุณาความสงสารจิตหวังอยากจะเกือ้อกูลเธอให้มีความสุขไหมืเกือ้อกูลตัวเราเราการในสามตัดอารมณ์อิจฉาทศยะเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วยาการในสีใช้อุเบกขาวางเฉยตัวนี้สําคัญมากเห็นใครเพี้ยงพรมเราไม่ซ้ําเติมถ้าทําอย่างคิดอย่างนี้เป็นโอติบัรดาท่านพุทธวิษัทไม่ชาตจิตจะมีแต่ความเยือกเย็น ต่ ว, ว่าการปฏิบัติเพื่อการตัดโทสะที่มันดาท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าวางไว้สออย่างคือถ้าใช้พระวิหารสีเปที่ไม่ถูกใจก็ใช้กสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือกสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่เราชอบใจถ้าทำกระสินนี้จนเป็นชาญถ้าจิตทรงชาญในกสินนี้กําลังของโทสะจะบรรเทาลงมาก จะมีกำลังเหลือน้อยบางครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนไม่เหลือเลยต่อเมื่อจะเะจิริญวิปัสสนาใ ย, ยางควบประเดียวเดียวสโทสะก็สลายตัวไปนี่รวมความว่าถ้าจะเป็นนาคามีต้องเพิ่มกัลโายกยศี่สองคือการมาชันทารบราิคะาถ้าต้องการเป็นพระหันตัดอีกหเป็นสิบด้วยกันคือรูปราคาไม่หลงในรูปวิชาน อรูปราคะไม่หลงในรูปฌานมานะไม่ถือตัวถือตนอุทจจะเมรมรไม่ฟุ้งซ่านจิตตรงนิพพานจุดเดียวหาวิชาตัดอารมณ์ความโ ง, ง่คือติดตัดความโ ง, ง่กับไม้ความตัดอารมณ์ที่ติดในมนุษย์สโลกเทวโลกกละปะมโลกการที่มีความว่ามนุษย์สโลก็ดีเทวโลกก็ดีปรมโลกดีสวยเรื่อดีเป็นในที่น่าอยู่ไม่มีสำหรับเรา เราเห็นว่ามนุษย์โลกที่ว่าโลกภงโลกเป็นเหตุเป็นเขตุของความทุกข์ไม่เขตของความสุขเราไม่ต้องการเกิดในโลกทวารอีกเราต้องการจุดเดียวสิริพันธ์หลังจากนั้นจิตก็สงบพงับจารมณ์ทั้ง4ี่คือหนึ่งการม่ชันทะความรักในระหว่างเพศก็ดีความโกรธก็ดีความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีพระงับจากจิตจิตทรงสังขารุเบคหายานคือวางเฉยในร่างกาย ร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายทุกเวทนามีอยู่แต่จิตไม่กลุ่มร่างกายยาแก่ก็แก่ไปจิตไม่กลุ่มร่างกายยาเป็นไงก็ช่างมันจิตไม่กลุ่มภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างยอมรับรต้องถือตามความเป็นจริงว่าตามธรรดาก็โรคเป็นอย่างมีอย่างนี้อารมณ์พระอรหันต์คำว่าอารมณ์พระอรหันต์จำไม่ง่ายง่ว่าพระหรัน์อาจทรงอารมณ์สังขารุปเปฆายาน ทำมาสังขารรูเปเอะข้า ย, ยานแต่วางเฉยในร่างกายร่างกายของท่านเองก็ดีร่างกายคนองเองก็ดีท่านก็วางเฉยคาวางเฉยไหมายความมันแยป่วยก็ถือว่าธรรมดาของมันต้องป่วยแต่ต้องรักษาทุกเวทนามีอยู่แต่มันจะไม่หายก็เฉญไม่หายเมื่อตายก็เฉยตายท่านไม่หนักใจเรื่องความตายเท่านี้เพราะละไเพราะถ้าตายจากความคนท่านไปนิพพานความสุขเมื่อหน้าของท่านมีอรันดาแทานพทระตัวยศทั้งหลาย คุยมากก็มากสอ ง, อ ส, งสัยว่าจำไม่ค่ยได้ไอ้ออตัว น, นี้มันยาวหน่อยสัตย์โยสิสตอนนี้ไปขวัญดาแต่พุทธวิสัทธ์หลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานไม่จังมัธฐาน